เดี๋ยวพวกเรามานั่งกันข้างหน้าก่อนนะนะมานั่งกันให้ดูดีเพราะว่าที่ตรงนี้พระบรมศาสดานะโดยเฉพาะถ้าเป็นสตรีเพศก็ต้องระวังด้วยนะในวันที่พระบรมศาสดาปรินิพานพระอนนลถูกภิกษุสงฆ์ติงด้วยนะว่าปล่อยให้สตรีไป ใช้น้ำตาบ้างผ้าสาหรีผ้าอะไรบ้างนี่ไปถูกพระวรากายของพระศาสดาฉะนั้นเราปฏิบัติต่อพระศาสดาก็ปฏิบัติแบบเคารพนอบนอบนะอย่าปฏิบัติด้วยโลภะให้ปฏิบัติด้วยจิตที่เป็นกุศลนะอย่าปฏิบัติด้วยความเราต้องเคารพพระศาสดาจริงๆนะต้องขอขามาพระศาสดาแล้วก็ตั้งใจนะ ตรงไหนที่เราหรือไปก้าวไปเหยียบหรือว่าไปอยู่ในสถานะที่ไม่เหมาะสมนะตั้งตั้งใจให้ดีๆโดยเฉพาะพะพักก็ไม่ต้องไปปิดทองนะเพราะว่าจะทำให้เลอะแล้วก็ดูไม่งามด้วยเนาะเราต้องเคารพพระพุทธเจ้าเราต้องนอบ น, อน้อมจริงๆอเดี๋ยวเราตั้งใจนะตั้งใจสวดมนต์ ให้ตั้งจิตเป็นสมาธินะแล้วจะได้สวดบูชาพระศ า, าสดากันตั้งใจนะองคได้พระจมพุทธสุวิสุทธาสานดานตัดโมลกาเลตมาร บ่มีมนมีมองมัวหนึ่งนายพระไทยท่านก็เบิกบ้านคือดอกบัวราคีบอพ่านผูว สุวาคนท่าคำจอนองไดประกอบด้วยพระการุณาดังสะคนโปรดหมู่ประชากน มาลาโอกาคันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์แรชิสุกาเสมสานชีทางผานาหรือผาน อานพนโซวิโยภยัยพร้อมเบนจะพินทาจากักสูจราดวิมสายเห็นเหตุที่ไกลไกล ก่อเจนโจประจักษ์จริงกรรมจัดนำ้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งเพียงมาลาบาบำเพ็ญบุญ ข้าขอประนอดน้อมศีรษะกราบบังคมคุณสัมพุณฑาการุณยาานน์ยาผาปนนีลันดอเอากราบกรา บ, ราบนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านื ธรร ม, มคือคุณาก่อนส่วนชอบสาทรอลวงประทีปชาชิชวานแห่งองค์พระาศาสดาจานสองศาสันดานสว่างกะจจางใจมน ทำได้นับโดยมากพนเป็นแปดพึงยนและก้าวกับทางนฤพานสมยาโลกอุดมพิสดารทันลึกโอรานเพิสุดพ์พเศษสุกสายอีทำต้นทางคันไหล นามนานคานคายปฏิบัติปริยัตเป็นสองคือทางดำเนินดุจจักรองให้รวงรูปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอนอุตมงนอบทมจำนง โดยจิตและกายวาจากราประลึกถึงพระธรรมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนอบน้อมทรงใดาสาวกศาสดารักปฏิบัติมาแด่อง์สมเด็จพระเาวรเห็นแจ้งจาทุศัก์เสษนบาน ผู้ตายปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเฮินห่างทางข้าศึกพอบอมีลามพองโดยกายและวาจาใจแผ่นเนื้อนาบุญอันภายสานแด่โลกาย แลเกิดพีบ่บูนพูนพนสมยาเอารถทศพลมีคุณานอนอนเนกจนาเปลือตราข้าข้อนอบหมูภาสราท6งคุณาโนูกุณประดุจรามพาน ด, ด้วยแดดบุญค่าอภิวานพระไตรรัตนอุนอดมดิเรกนิลาสายจงช่วยขจัดโพยภายอันตรายใดใดจงดาบแลกลกเสื่อมสู้ก ร, ราบรละลึกถึงพระสังฆคุณอาพวกเราทั้งหลายนะ ต่อไปปนมมือตั้งใจเดี๋ยวจะกล่าวบูชาถวายสักการะแด่พระศาสดาที่ปรินิพานของพระศาสดาตรงนี้นะเราท่านทั้งหลายนอบน้อมด้วยกายวาจาและจิตใจให้มั่นคงนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่าง <c oughs> ยาวไกล ตั้งใจว่าคำว่าอนุปาที่เสสานิพานธาตุก็คือการดับขันห้าดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นสถานที่ตรงนี้พระบรมศาสดามาทิ้งขันธาละหน้าที่ตรงนี้แล้วพระศาสดามานอนที่บอกว่าดูก่อนอานนตถาคตหนักนักแตถาคตจากนอน อันนั้นทำไมพระบรมศาสดาจึงตัดสังเวขาขนาดใหญ่ขนาดนั้นพระศาสดาตรัสบอกว่าเราบำเพ็ญบารมีมีทานบารมีศีลบารมีเนกขม้ปัญญาวิริยะขันติสัจอาทฐานเมตตาและเวเบิกขามาทั้งอุปบา ร, รมีสิบรมัทธบารมีสิบมาย0สิบประสงค์ขายยิงด้วยแสนมหากับหนักมากภาละที่ต้องแบก เพื่อพวกเธอในการที่แตถาคตต้องบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เอาพระธรรมมาประกาศเพื่อเปิดดวงตาของเธอทั้งหลายที่มืดบอดด้วยความไม่รู้เนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามมาอย่างยาวไกลจนในที่สุดพระองค์ก็มาถึงวาระในการที่พระองค์มาทิ้งขันธภาละ เขาเรียกว่าเป็นการเข้าถึงบรมธรรมอันสูงสุดบรมธรรมก็คือว่ากล่าวคืออนุปาธาปินิพานซึ่งพระองค์หวังมาอย่างยาวนานว่าเมื่อไหร่จะได้ถึงวันนี้สักทีซึ่งพระบรมศาสดาก็ได้ทรงพักอย่างถาวรในสังสารวัตรแล้วพระองค์ไม่ต้องไปแบกขันธภาละต้องไปเที่ยวเยียนไหวาตายเกิดอีกเราท่านทั้งหลายมาณสถานที่แห่งนี้ ก็ต้องจำนิมิตหมายแห่งการปรินิพพานของพระาศาสดาเข้าไว้ว่าการปรินิพพานของพระาศาสดานั้นน่ะเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายเป็นปลายทางของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านหวังอนุ ป, ปาทาปรินิพพานและท่านก็ได้พักขันธภาระของท่านจริงๆไม่ต้องยกรู ป, ปรขันธเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาแบกขึ้นมาบริหาร ไม่ต้องมาบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องยกขันธภาระขึ้นมาในขณะเกิดไม่ต้องแบกขันธภาระไม่ต้องไปยืนเดินนั่งนอนอีกแล้วตรงนี้แหละเป็นที่สงบเป็นที่เย็นเป็นที่ปลอดโปร่งเป็นที่เบาเป็นที่ทิ้งขันธภาละพระบรมศาสดาตรัสปัจฉิมโอวาทบอกว่าหันธานิมิคเวอามันตยามิโวเนี่ยวิยะธรรมมาสังคารา ประมาเดนะสมปาเทธาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนอะไรคือประโยชน์ตนจงยังศีขาสามคือศีลสมาธิปัญญาจงยังศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระตถาคตจงยังวิริยะคือการพอกพูนเจริญกุศล จงยังสติให้บริบูรณ์สมาธิที่ตั้งมัน่นจงยังปัญญาคือการได้รอบรู้สังขารทั้งปวงทำศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็หมายความว่าทำประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมจุดศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเรามารับพระโอวาทของพระาศาสดาในวันปรินิพานของพระบรมศาสาศดาไว้แล้วเอาไปเป็นเครื่อง เตือนใจอย่างมั่นคงให้เกิดสังเวคาญาณ น, นะคือญาณปัญญาที่พิจารณาแล้วสะดุ้งสะเทือนว่าขนาดพระมหาบุตษเอกของโลกพระพระมาศาสดาเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเนี่ยขันธภาระของพระศาสดายังไม่คงทนเลยจะป่วยกล่าวไปใหญ่กับขันธภาระใดๆของเราท่านทั้งหลายซึ่งเปราะบางมากสร้างมาจากกรรมที่ไม่ได้แข็งแรงใดๆเลย เรามองประพักของพระปาสสดาแล้วจาเป็นนิมิตหมายเป็นเจดีในการที่จะระลึกหวนสการะบูชาจะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระปาสสดาเอาประชุมลงสู่กระแสใจตั้งจิตใจใมั่นคงว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมาเฝ้าพระปาสสดาแล้วในสถานที่ปฏินิพพานนี้ซึ่งมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายเข้ามากันอย่างเนืองแน่นในการ มาดูมาสักการะมาบูชาเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นพระบรมศาสดาเนี่ยเราท่านทั้งหลายได้มาถึงนสถานที่แห่งนี้แล้วได้มีโอกาสมาสักการะมาบูชาพระศาสดาเป็นกษัตริย์เนะแต่พระองค์นะ่ทิ้งปราศาสตรลงดินเประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจักแล้วทรงใช้ชีวิตแม้ในบ้านปลายสุดท้ายเนะี่ยที่ปริญญาภานของพระศาสดา พระศาสดาเข้ามาปรินิพานที่พื้นแผ่นดินตรงเนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายตั้งศรัทธามุ่งมั่นเพื่อมาสการาบูชาพระศาสดาเรามีดอกไม้ของหอมมีผ้าทั้งหลายปรารถนาจะหม่มบูชาพระศาสดาในวันที่เขาเคลื่อนพระบรมศพของพระบรมศาสดานั้นน่ยบุคคลทั้งหลายเขาก็มีสการาทั้งหลายมาบูชาวันนี้เรานำสการามาบูชาพระศาสดา มาเข้าเฝ้ารับโอวาทซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็หมายความว่าพระศาสดานั้นประชุมคําสอนของพระองค์ลงในศีขาสามลงในความมีสติลงในความเป็นผู้ไม่ประมาทเอาแล้วเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวต่อไปเราตั้งใจกล่าวสการะบูชานอบน้อมพระศาสดาพร้อมกันนะ นะโมตัสสะบรควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะบรควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะอระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้ม <synagogue S 1> <us nói> ีพระภาคเจ้าพระองค์น <optimize> ั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจาก ต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าะเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสระสั่งสมบารมีนำเวนัยศัตว์ เพื staff, ah so er all ่อออกจากวัตจทุกข์ข้าพเจ้าขอบูชาสถานที่ปรินิพานของพระบรมศาสดาด้วยความเลื่อมใสยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้มาสการะพระศาสดามามาณสถานที่ปรินิพานแห่งนี้มาเข้าเฝ้าพระศาสดาเพื่อรับพุทธโอวาทที่เป็นปัชฉิมวาจาข้าพเจ้าทั้งหลาย จะประทับคาสอนที่ภาษาสดาตรัสเป็นปชิมวาจาว่าที่ภาษาสดารัสเป็นปชิมะยวาจาว่าดูกรภิกษุทั้งหลายดูกภิกษุทั้งหลายดูกรภิกษุณีทั้งหลายดูกภิกษุณีทั้งหลายดูก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายดูกรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดข้าพเจ้ามาณวันนี้มารับฟังพุทธโอวาท จากภาษ า, า, าสดาจะจำพระ พ, ธธพุทธโอวาตซึ่งเป็นปัจชิมวาจ า, น า, จาในครั้งนี้ไว้ไวอย่างมั่นค ง, นคงข้าพเจ้าตนักแล้ ว, นลวในคำว่ า, วาประโยชน์ต น, นคือจะทำศีลสมาธิ ปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นจะทำศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายขอปฏิญญาต่อหน้าพระศาสดาว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าทั้งหลายจากมุงมั่นพากันประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพภาษาสดาอย่างไม่วันไหวที่ผ่านมาข้าพระเจ้าทั้งหลายมัวประมาทพลาดพลั้ง ยังเลินเล่อต่อคำสอนของภาษาสดาวันนี้มาสถานที่ปริณิพานของภาษาสดามาเฝ้าภาษาสดาเพื่อมาเคารบนับถืออย่างแท้จริงภาษาสดาตรัสว่า พระธรรมวินัยจากเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเราข้าพระเจ้าทั้งหลายมารับโอวาจากพระบรมศาสดาถึงแม้ว่าพระบรมศาสดาจากสละขันทภาระ ให้แก่พยามาลไปแล้วแต่พระธรรมวินัยคือคำสอนของภาษาสดาจกอยู่เป็นศาสดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายจะทำยานปัญญาเพื่อรู้เข้าใจคำสอนของภาษาสดา ว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าจากเสด็จดับขันะปรินิพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสอนของภาษาสดายัง ป, ยยประทับอยู่ในใจของข้าพระเจ้าทั้งหลายต่อไปข้าพระเจ้าทั้งหลายจักไม่ประมาท จักมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระศาสดาจักมีความเชื่อมั่นในคสอนของพระศาสดาวันนี้มาบูชาพระศาสดาวันนี้มาบูชาพระศาสดาด้วยอามิสบูชาด้วยอามิสบูชาข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเตรียมอามิสบูชามาเตรียมอามิสบูชามาด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งได้นำขันธภาระได้น คือชีวิตและร่างกายนี้มาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยขอพระศาสดาโปรดรับสการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำผ้าสีทองนี้ ถวายเป็นพุทธบูชาพระบรมศาสดาท ร, รมาางมีพระชวีวันดังทองค ำ, งงงคำข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำสีของผ้านี้ถวายเป็นประทาน an, an, เอาเสียงกินงก่นลดสัมผัสและทรมาม الم, ลาม เ ป, เป็นบริวารของสีผ้าแห่งนี้ถวายเป็นพุทธบูชาเพ <childhood. S 1> ื่อให้กุศลธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้ประชุมลงในจิตใจของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจถวายอามิสบูชาและทมธรรมบูชาให้ตั้งขึ้นในจิตใจขอถวายผ้าเหล่านี้พร้อมทั้งสักการะทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังค้าบูชาด้วยอนิสงแห่งการถวายสการะนี้จงเป็นปัจจัยให้ค่าพระเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเธินแม้ต้องเกิดในพบชาติใดๆ ขอเกิดภายใต้ลมง <S <S เาลมงาแห่งบรวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตว์บุรุษผู้ ร, รู้ธรรมมันประเสริฐ ม, มีกรรมสัมพันธ์ที่ดีเกดิดท้ำการกรยานามิต ร, ราาและเป็นสมาธิฏฐิทุกชาติไ ป, ปมถถีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรม และประพฤติธรรมจนเป็นปัจจั ย, จจยให้จเจริญด้วยสติปัญญายาม <cer uer> ตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนินพพานาในการอันควรด้วยเถิเ ส, สาธุสาธุสาธุ อิติปิโสภาคาวาอะราหังสัมมาสัมพุทโเวชจาจารณ n a s a m p a n n o โลกวิตุอนุตตโรภูริสัตามสารติสัตถาเทวมนุษย์สา โคนโดภควาติสวาคาโกภาควตาทัมโมสันติิโกอาาลิโกเอิปโกโอปาิโกปาจัตตเวทิตาโพวิญโยอิต สุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโน วากาสังโกสามีจิ่ปติปันโนพคาวโตสาวกสังโกยาติทางจัตตาริภูริสายุกานิอาจทัพูริสปุกกาลเอสาะพราวโตสาวกสังโก อาหูนยโยปาหูนยโยทากีนายโย อ, อัญชริกาเรนโย อ, อนุตตรังปุญญกเขตตังโลกาสาธิตเอาพวกเราทั้งหลายนั่งหลับตาสงบใจนิ่งๆกันนะสักระยะหนึ่งตั้งใจนั่ง ทำจิตให้เป็นสมาธินะอาจจะมีเสียงใดๆรบกวนก็อย่าไปพิตกกังวลตรงนั้นทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งใจจะลืมตาหลับตาก็ไดนะ้นั่งนิ่งๆแล้วก็ตรึกในการที่จะพิจารณานอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระบรมาศาสดามาปรินิพานณะสถานที่ตรงนี้ทิ้งขันธภาละให้กับพญามารที่ทูนราธนาพระศาสดาบอกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกและบาสิกาของเรายังไม่ตั้งมั่นก็หมายความว่ายังไม่แข็งแรง ในภาษาศาสนาทั้งส่วนของปริยัติศาสนาปฏิปฎิศาสนาแทงตลอดปฏิเวทศาสน า, าสามารถแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกบอกกล่าวทำให้ตื่นแสดงธรรมประกอบด้วยปฏิหารต่างๆทั้งอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหาร ตั้งใจระลึกมานอบน้อมทำจิตให้เป็นไปกับกุศลวันนี้เป็นบุญญราบของเราแล้วเนาะเนี่ยที่เรามาก็จังหวะก็ดีนะได้มานอบน้อมทำกุศลที่มีศรัทธาเป็นประธานให้เกิดขึ้นให้ขับเน้นที่เป็นธรรมบูชานอามิสบูชา ให้อยู่ลองๆแต่ให้เกื้อหนุนศรัทธาให้ตั้งมั่นให้เกิดขึ้นนอบน้อมพระส า, าสดามาละลึกมาคิดทำให้บุญกุศลนั้นเกิดขึ้นให้มากเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้จะกลายเป็นอดีตก่อนมาเป็นปุพพะเจตนาในขณะนี้เป็นมุญจะเจตนาในขณะที่ ตอนนี้เราจะถวายอะไรพระศาสดาจะไปมัวกังวลบุคคลอื่นเราจะมีอะไรถวายส ก, การะมีแล้วเหลือแต่ธรรมะเราจะเอาธรรมะอะไรถวายรเราจะทําศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นลองตั้งจิตให้เป็นสมาธิทําใจให้พองใสทำศรัทธาให้มั่นคง ทำความเพียรอย่ามัวกังวลเรื่องอื่นอย่ามัวห่วงใครน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชารับปางโอวาทที่พระศ า, าสดาพร่ำสอนตามระลึกถึงศีลสมาธิปัญญาพระศ า, าสดาเข้านิโรธสมาบัตินายจุนทะกัมมลบุตรถวายสุกรมัทวะ เทวดาทั้งหลายเอาโปรยอาหารที่เป็นทิพเทวดาทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิน้นเอาอาหารที่เป็นทิพมาโปรยลงเป็นโอชาอันเลิศถวายพระาศาสดาในมื้อสุดท้ายทําให้พระาศาสดามีพระกําลังเสด็จจากบ้านของนายจุนทะมาถึงณสถานตรงนี้ได้และเป็นเหตุให้พระบรมศาสดา ได้สมาบัติได้เข้าสมาบัติได้อยู่ในสมาบัติแล้วก่อนนั้นก็คือเทศนาโปรสุพัทถะเป็นปัจฉิมสาวกแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือพระองค์ได้อนุปาทาผรินิพานคือการนอนเป็นครั้งสุดท้ายปกติพระบรมศาสดาเวลานอนก็จะมีอุทานสัญญาในการกำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นแต่การนอนในครั้งนี้ พระศ า, าสดานอนแบบผู้โปร่งภาละแล้วพระองค์นอนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาในสังสารวัฏอีกเลยเราจะทำอย่างไรเนาะที่จะเดินตามพระธรรมคำสอนของพระศ า, าสดาที่เราจะได้มีโอกาสนอนและไม่ต้องลุกอีกพระศ า, าสดาทำให้เราดูบอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายถ้าปราถนาบรมสุข เธอทั้งหลายต้องนอนแบบตถาคตนอนก็นอนแบบไม่ต้องลุกขึ้นมาพระศ า, าสดาลาเราจริงๆนะแบบเนี้ยลาแบบว่าไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏแผ่นดินที่ไม่มีใจจึงสะเทือนสถท้านหวั่นไหวไงรับรู้พระบารมีของพระศ า, าสดาว่าพระศาสดาให้ทานจนแผ่นดินนะพ่ายแพ้ ให้เลือดเป็นทานจนน้ำในมหาสมุทรพ่ายแพ้ควักดวงพระเนตรให้เป็นทานจนดวงดาวบนท้องฟ้าพ่ายแพ้ตัดศรีรษะให้เป็นทานในบารมีจนคุนเขาสีเนรุพ่ายแพ้นั่นแหละคือระาษาสดาของเราท่านทั้งหลายในที่สุดจริงๆท่านก็ได้สมปรารถนาคืออนุปาทาปรินิพานพระธรรมซึ่งเป็นธรรมะมรดก ยังเหลือไว้ให้บุตรของท่านเราในฐานะเป็นลูกต้องรับโอวาทของท่านแล้วมนานสิการว่าเราจักเอามรดกของพ่อคือธรรมะมรดกเอามาบริโภคเอามาใช้สอยให้ได้มาปฏิญญาณต่อพระาศาสดาว่าพระาศาสดามีพุทธประสงค์ให้เราท่านทั้งหลายเดินตามรอยบาทรพระาศาสดาจริงๆ ต้องตั้งมั่นในศีลแล้วศรัท ธ, ธาต้องไม่หวั่นไหวต้องมีความเชื่อมั่นต่อภะาษาสดาจริงๆเพื่อจะให้ศรัท ธ, ธาเป็นปัจจัยแก่ความเพียรที่คมกล้าสติที่มั่นคงสมาธิที่แข็งแรงปัญญาที่ชัดเจนเสทีพัฒนาจากอ่อนแอให้แข็งแรงน้อมระลึกถึงภะาษาสดาว่าเรามามีโอกาส ได้มาถวายพุทธบูชาพระศาสดาณนะปรินิพานแห่งนี้มาปฏิญญาณตนได้มาละลึกได้มาเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดตั้งจิตให้ตั้งมั่นให้เลื่อมใสตัดความกังวลอย่างอื่นน้อมละลึกถึงพระศาสดาจริงๆว่าวันนี้เรามาเอาอามิสบูชา ถวายแล้วจะทำธรรมบูชารับธรรมมรดกของพระศาสดาเอาไปใช้สอยให้ได้พระศาสดาปรินิพานแล้วแต่พระธรรมวินัยของพระศาสดายังคงอยู่เป็นศาสดาพร่ำสอนเราท่านทั้งหลายเราได้เดินทางลอนแลมมา